เรื่องความทุกข์ของโลกความเสื่อมของศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขนามน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมกูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบข้อมหนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทานิกท้าคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยหลักธรรมคำตังซ้อน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 ความเสื่อมของพุทธศาสนาและความทุกข์ของโลกวางให้เอาความเสื่อมของพุทธศาสนากับความทุกข์ของโลกนั้นมันเกี่ยวโยงสัมผัสกันอย่างไรถ้าพุทธศาสนายังไม่เสื่อมยังมีความเจริญก็หมายความว่าความสุขของโลกก็ยังมีเยอะ ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่จะมาอุตริพูดเอาเองเพราะพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้อย่างในเจตุกตนิบาตอังคุตรนิกายมี่ละคานชาัดเจนในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเอดข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบนหนึ่งร้อยเกาสิบเจ็ดความสุขของโลกเมื่อมีความสุขก็จะมีความทุกข์ ท่ากล่าวไว้ว่าสุขโตวาพิกเวลโลเกติธมโนสุขตะวินยโยติทัสสะปังโนะหิตายะปังโนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษสานางเลวก่อนพิสุดังร้ายเมื่อใดประสุ ข, ขก็ดีพักธรรมวิในของสุ ข, ขก็พิจิตร ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อ น, นั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษย์เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์แ ก, โก่โรคเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมันตังหลายอยู่เพียงนั้นเมื่อว่าถ้าหากยังมีศาสนาทําวินัยนั่นแหละคือตัวศาสนาเพียงใดโลกก็จะต้องมีความสุขความสงบร่มเย็น เกี่ยวกันนั่นแต่ถ้าหากสิ่งที่เรียกว่าธรรมวินัยหรือศาสนาหมดไปสิ้นไปจากความรู้สึกสํานึกในจิตในใจของโมวนมนุษยชาติแล้วเมื่อนั้นพญามารซาตานก็จะเข้ามาแทนความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวความรุนแรงแข็งกล้าวอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทั้งในหมู่มนุษย์เองทั้งธรรมชาติทั้งดินฟ้าอากาศทั้งพืชพรรณตัญญาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดในโลกตลอดทั้งเทวดานั่น เฉ <c oughs> ยฟังให้ดีนะนิพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรยอย่างนี้ด้วยเหตุ น, นี้เองท่านจึงตรัส บ, บอกภิกษุต่างหลายว่าจาระหะภิกขเวจริกังพระโหชนะฮิตายะพระโหชนสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุสสานังอธิการลยานังวะมัตเชกันลายานั ง, นาานงปริโยสานะกันลายานังสะทั่งสปพัญชนะเกวละปริปุนังภิกษุ์ทางรมมจริยังประกาเศเสถะ เหลื่อนทีุ่ดทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุกแกบมหาชนเพื่อเอ็นดแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อ เ, อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงไปแสดงธรรมให้อดงามในเบื้องต้นกดด็ดีในธรรมกลางในที่สุดประกาศวิธีทางแห่งการดําเนินชีวิตอันประเสริฐอันปราศจากความทุกข์ให้แก่เขาทั้งหลายให้สมบูรณ์ทั้ง เทคนิคและวิชาการทั้งอัตถะพยัญชนะเพราะเหตุนี้เองมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ความสุขและความทุกข์ของโลกแต่เราทุกวันนี้ฝ่าถนาความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่เสร็จแล้วเราก็กําลังหันหลังให้แก่เครื่องมือที่จะนําความสุขมาให้กําลังวิ่งว่อนเต้นวิ่งเต้นกันดิน่นรนยือ้อแย่งสแสวงหา สิ่งที่เรียกว่าจะอำนวยความสะดกมาให้กล่าวคือเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แผนใหม่ทั้งหลายวัตถุทั้งหลายต้องการความสุขทางเง้อทางนั้นมันก็เหมือนกับไปบีบเอาน้ำนมจากหางงัวบีบเอาน้ำนมจากหางงัวจากหังวัวจากเขางวัวมันไม่มีทางที่จะได้พบน้ำน้ำนมแม้แต่หยดเดียวที่มันจะมีน้ำนมก็คือที่เต้านมของมันนั่นเองเหมือนกับแสวงหาความสุข กับสิ่งที่จะนํามาซึ่งความทุกข์วัตถุทั้งหลายเทคโนโลยีทั้งหลายให้ความโศกความสะดวกสบายทางกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถอํานวยความสุดความสงบร่มเย็นแก่จิตใจของใครได้ยิ่งป่าเถาะเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกได้มาเท่าไหร่มันก็ยิงไม่เพียงพอด้วยเหตุ น, นี้เองบ้านเมืองเราทุกวันนี้จึงมีทุกข์มากประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก ไม่ไว่าจะเป็นด้านภคมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศไม่ร้อนนักไม่หนาวนักฝนฟ้าตกต้องในร่องบริสุมติดดีงามแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมอะไรต่างๆมันไม่ค่อยมีเหมือนประเทศอื่นบ้านอื่นเขาแต่เดนนี้มันก็มีให้เห็นแล้ว <c oughs> โชคดีทางภคมิศาสตร์โชคดีทางประวัติศาสตร์ด้านจิตใจเราได้นับถือพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา ที่ไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งใครเป็นศาสนาที่เหมาะสมแก่ผุ้คลผู้มีสติปัญญาผู้ปราถ น, นาอิสรภาพเสรีก็เห็นนี้เองเมืองไทยแล้วนั้นไม่ทราบว่าใครบรรพบุของเราที่ตั้งชื่อว่าไทยก็ดีตั้งชื่อว่าสยามก็ดีล้ว น, นแต่เป็นถ้อยคําที่ออกมาจากภาษาบาลีคําว่าไทยไทยไทย ก็แปลว่าความเป็นอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองคําว่าสยามก็มาจากคาว่าสยังเหมือนกันออกเสียงเป็นภาษาสัญสกฤตว่าสยามสยามพูคําว่าสยามนั้นแปลว่าเองเองเองเป็นเองเป็นอยู่เองพึ่งตนเองรู้เองอย่างสยังอภินัยยะรู้ยิ่งด้วยตนเอง คำว่าสยามนั้นทพะสะกดเป็นภาษาสันสกิตมันจะออกเป็นสยามสยามแล้วต่อมามันก็มาเป็นสยามแปลว่าเป็นอยู่เองพึ่งตัวเองอิสรภาพเช่นคําว่าสยัมสยามวสีมีอานาจในตนปกครองตนพึ่งตนเองที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบรรทัพ บ, บรุษของเรานั้นมีความล้ำลึกถึงความเป็นตัวของตนเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็เป็นลักษณะอันเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นต้องการให้มนุษย์มีศักยภาพพัฒนาศักยภาพของตนเองจนไปถึงการพึ่งพาอาศัยตนเองเนื้อเทวดามาพรพมพระจงพระเจ้าตรงไหนไม่ต้องไปวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เองพุทธศาสนาจึง หมาแก่บุคคลที่มีอุปนิสัยใจขอเช่นนี้บ้รรพปรุษของเราจึงได้นับถือมารักษามาจนถึงพวกเรายุคปัจจุบันแต่บัด น, นี้ลูกหลานของพวกสยามวสีลูกหลานของชาวสยามลูกหลานของชาวไทยเสรีนี่กําลังกําลังจะก้มหัวอาละวาดจะว่าก้มหัวเธอทูลบูชาสิ่งที่นอกเดือไปจากตนเองเครื่องมือ ของพยามามของซาตานคือวัตถุเขาเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาให้มันก็ล้งไหลทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปตามโจรกันต้นเหตุนี้เองเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมทรามลงเมื่อ น, นั้นความทุกข์ของโลกก็จะเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่ยี่สิบสามธันวาคมปีที่แล้วมาผ่านมาสองสมวันสองพันห้าร้อยสามสิบสี่บอกว่าคนไทย ค่าตัวตาอันดับสองของโลกหนาววะหรอไหมละ่ะอาตมาเคยคิดไว้เมื่อปีที่แล้วว่าต่อไปเมืองไทยจะมีปัญหาเรื่องจิตใจคนจิตต่ําใจสามบูชาวัตถุลูกจะไม่เคารพพ่อแม่จะทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่จะอ้างว้างว้าเวสังเกตเห็นชาวอีสานข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านนำไร่ดํานานหนีเข้ากรุงเทพหนี้ไปปักไตไปทํางานอุตสาหกรรม ทุกอยากลําบากไม่สนใจปล่อยพ่อแม่เท่าๆแก่ๆอยู่บ้านงกๆเงนๆินเงินวันดีคืนดีกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนลูกเศรษฐีมาอวดกันมาอ้างาากันมาโฆษณากันว่ากรุงเทพดีอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เคยพูดว่าทุกอย่างโน้นทุกอย่างนี่นายจ้างเขาเอาเปรียบอย่างโน้นอย่างนี่เขาใช้หัวถล้ำํตำตําลิ่มไปยอย่างโน้นไม่พูดมาหลอกลวงเพื่อนก่อนจะกลับมาก็ยืมเงินล่วงหน้าเบิกเงินเดือนล้วงหน้าซะสองเดือนเงิ น, งนงเดือนถูกโถเขาให้เป็นการโผกใจ กลับมาก็แต่งตัวมาอวดชาวบ้านอวดพ่ออวดแม่เพื่อนฟุ้งอยู่ไม่ได้น้ำลายไหลก็อยากจะไปไปด้วยกันกลับไปใหม่สองเดือนไม่มีเงินมีทองส่งมาหาว่านนายจ้างโกงเขายังไม่จ่ายพ่อแม่ก็จะผูกคอตายกุมใจตายเป็นห่วงลูกหลังจากนั้นต่อไปนี่นับวันที่พ่อแม่จะเป็นทุกข์ลบ้ันเมืองมันบูชาวัตถุเช่นนี้คาว่าศาสตร์ศาาว่าศิ้นธรรมมันก็หมดไปส้นไป มันก็เป็นไปได้อาตมาคิดว่าสักสิบปีข้างหน้าเมืองไทยจะเป็นโลกประสาทเยอะคนจะฆ่าตัวตายมากกว่าเก่านี้ปัญหาชีวิตแต่ความคาดคิดของอาตมานั้นมันเร็วเกินคาดคิดว่าสักสิบปีดีรุ่งขึ้นมาปีใหม่นี่ยังไม่ถึงปีสั้มผ่านหัวข่าวคนไทยฆ่าตัวตายอันดับสองของโลกเท่าเทียบอัตราส่วนของประชากรประเทศไทยไม่จะเป็นประเทศใหญ่โตมีประชากรมากติดอันดับกับเขา มันน่าจะเป็นจีนมันน่าจะเป็นอินเดียมันน่าจะเป็นประเทศฝรัลล่งมั่งค่าที่จะผูกคอตายค่าตัวตายมากอันดับสองสามสี่ห้าประเทศไทยไม่น่าจะมีอันดับกับเขาแต่เสแล้วประเทศไทยกับแฟงหน้าขึ้นอันดับสองปีหน้าคงจะเป็นอันดับหนึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ข้าพ่อข้าวแม่ค่าตัวตายสี่สิบหกเปอร์เซนตมากกว่าคนรุ่นใดๆทั้งสิ้น ลองลงมาก็รุ่นกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างขอบสร้างครัวดิ้นรนยื้อย่างแสวงหาลดระดับลงมาก็วัยหนุ่มวัยสาววัยวานวัชื่นผิดหวังชอกจำระกรข่มขืนเพราะความรักไม่สามารถยับยั้งใจตามอำนาจแห่งสิ้นแห่งธรรมวิ่งตามอานาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ดังใจขาดตัวตายผูกคอตายกินยาตายลดลงมาเอกเกาะเด็กนักเรียน ตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆสอบแข่งขันกันเข้าแม้แต่โรงเรียนอนุบาลชีวิตลืมตาอาปากขึ้นมาเห็นโลกก็เต็ไมไปด้วยการดิ้นรนเต็ไมไปด้วยการยื้อย่งเต็ไมไปด้วยการแสวงหาชีวิตสังคมนี้เต็ไมไปด้วยการแข่งขันแข่งกันได้แข่งกันมีแข่งกันมีหน้าแข่งกันมีตาเมื่อไม่ได้ดังใจเห็นตนเองเป็นผู้พ่ายแพอ้พ อ, พ อ, พอพาพับอับประพาวซะนะเป็นโลกประสาทเด็กเล็กๆรู้จักผูกคอตายแล้วเพราะเราจะเห็นได้ชัดแม้แต่จะเข้าโรงเรียน อนุบาลก็สอบแข่งกันจะเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆจะเอนทรานเข้ามาหาวิทยาลัยสอบแข่งกันลูกไปสอบพ่อแม่กําลังจะมันช็อกตายรอฟังคําตัดสินว่าลูกสอบได้หรือสอบตกพออลูกสกสบตพ่อแม่จะเป็นลมตายซะก่อนอย่างนี้ชีวิตเกิดมาเพื่อจะแข่งขันเท่านั้นกันโดยไม่เข้าใจความเป็นไปได้ศักยภาพของตนเองตามวิวัฒนาการอะไรต่างๆอีเลนมันมีอํานาจที่สุดเลย เด็กๆยังค่าตัวตาย 3.5 เปอร์เซ็นต่อมาพระสงองค์เจ้าซึ่งถือว่าเป็นเพศที่สูงสุดอยู่ใกล้ชิดศาสนาเป็นผู้นำทางศาสนาควรจะมีชีวิตที่สงบสมมทัเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติอยู่ง่ายกินง่ายที่ไหนได้เจ้ากูยาคูทั้งหลายค่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาสิ่เท่านี้คืออะไร มันก็สวนสวนทางกันกันกบที่พระพุทธเจ้าเราพูดว่าความสุขของโลกก็ดีประโยชน์เกื้อกูลแกมนุษย์แก่เทวดานั้นเกิดมาจากธรรมวินัยแต่ผู้ที่รักษาธรรมวินัยประพฤติธรรมวินัยที่จะเผยแพร่ป ร, รประธรรมวินัยซืบทอดประธรรมวินัยคือตัวศ า, ศาสนากับค่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาสี่เท่าเป็นอะไรกันนะกันนาะนี่แหละคือความเสื่อมลงของสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนา พระสองฆ์องค์จ้ามีความกัดกุ่มอะไรเราจะเห็นได้มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยส่วนมากพระสองฆ์องค์เจ้าเรามันมีรุ่นหนุมน่มๆแล้วก็รุ่นแก่ๆจะรุ่นกลางคนที่จะเป็นผู้นําทางศาสนาเป็นขุนพนแห่งกองทัพทำหายยากเข้าทุกทีทุกทีสามเณีรุ่นเล็กๆพระหนุมน่มๆก็แข่งกัน กวกที่เรียนอยู่ในเมืองก็แข่งกันจะสอบได้นักทำตีโทรเอกเพอเป็นทางผ่านยังไม่พอชะเงอมองไปทางโลกพยายามทุกวีกิทางที่จะได้เรียนห่างโลก <c oughs> จะได้จบระดับหนึ่งสองสามีห้าเขามหาวิทยาลัยมีโอกาสก็จะฝึกออกมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ยากจนด้อยโอกาสในการศึกษารัฐไม่สามารถอำนวยให้ถึงคนยากคนจนในมหาวิทยาลัยชั้นสูงในกรุงเทพมีแต่ลูกเศรษฐีคนมีเงินทั้งหลายได้เรียน คนยากคนจนไม่มีทางออกก็เข้าวัดข้าว่าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาด้วยศ ร, รัทธาศึกษาเพื่อทำวินัยนําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่สังคมบ้านเมืองแต่มุ่งไปที่อาชีพเมื่อไหร่จะมีโอกาสก็จะซึบออกมาเป็นเจ้าเป็นนายขอเงินผอเงินแหมบินทบาลอะไรต่างๆเมื่อมีความผิดหวังอะไรต่างๆมากข้าวไม่ได้ดังใจอีกประการหนึ่งสิ่งยั่วยวนทางโลกมันมากนอกน้อยหอมน้อยในวัดในวาเหมือนกับในบ้านข้าสงองเจ้ารุ่นหนุ่มเห็นใจกับสันดินอยากก้ ศึกออกมาแต่ไม่มีทางคิดว่าศึกมาแล้วจะไปตำมาหากินอะไรนอกจากเป็นกูลีก็เพิ่มดีกรีความปราถนามากขึ้นดิ้นรนสู่ถนนสงถนนสังคมสายใหม่ด้วยการศึกษาทางธรรมบนทางโลกเอาทางโลกมากมา ก, มากทำทำพอเป็นกระสายหาเงินหาทองไม่ทันพ่อแม่ส่งมาไม่ทันยมทำบุญไม่ทันก็กลุ้มใจหูข อ, อาตายไอ้ท <c oughs> ีพวกที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ยูไดาในเขาก็มีโอกาสเป็นบาปได้เยอะผูกคอตายได้เยอะเพราะเข้าใจผิดต่อพระพุทธศาสนากัดฟันกัดเคี้ยวกัดฟันจะเป็นพระอารียาเจ้าโดยไม่เข้าใจว่าอารียาเจ้านั้นคือผู้ไม่มีทุกข์คือผู้ที่ทําลายกิเลสลดลงลดลงแต่เพิ่มกิเลสเข้าไปเข้าใจว่าอารียาเจ้าคือผู้ที่มีคนแห่คนแห่นเป็นแสนเป็นหมืน่นไปไหนลงหนังสือพิมพ์ออกโทรทัศน์ไปไหนมาไหนเห็นลงโลกที่โพธิยานเด่นดังคนมากามมาไหววางมาศาสดา อยากจะเป็นอย่างนั้นไวๆมันไม่ได้เป็นดังใจอะยิ่งทําไปจิตก็ยิ่งไม่สงบปลาธนาให้สงบยิ่งไม่สงบน้อยใจไปผมบัลโลกไปนิพพานโผคอตายไปหลังเยนั้นพระรุ่นกลางคนมีคนเคารพนับถือเป็นพระเทระบ้างก็แข่งขันกันสร้างสรรสร้งบุญญาบารมีตนเองว่าผลงานของความเป็นสมณะนั้นของเราก็คือเป็นผู้มีวัดว่าอาลามใหญ่ๆโตๆไปไหนมีคนรู้จักขี่รถเก๋งคันดีๆงา ม, งาม เมื่อไม่ได้แรงใจสิ่งเหล่านี้ก็พยายามทุกวิธีทางพ่อยืมกายืมพระก็เป็นหนี้ซะแล้วทีนี้เป็นหนี้ร้านค้าเป็นหนี้ร้านวัสดุก่อสร้างอะไรต่ออะไรหาทางวิ่งเป็นไปติดต่อกับทินผ้าปลาอะไรต่างๆโลกภาษาก็ค่อยกัดก่อนกัดก่อนเข้าไปเป็นหนี้เป็นสินพลุนพลังก็มีในสุดเจ้า ก, กูก็ทุกอย่างลําบากสิ่งที่ไม่น่าจะทําก็ทําสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้คือหาหมาซึ่งวัตถุนั่นเอง ก็มีอาการมิจฉาอาชีวะลิ้นฉีดโดยทางที่พิดรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกรรมมเซ ก, กับบานตัดกรรมตัดเวรสะดอกคล้อเอาทุกอย่างก็ให้ได้มาซึ่งนั้นก็ทําลายาศาสนาของตอนเองไปเรื่อยส่วนพระผูเฒ่าผู้แก่บวชมายามเฒ่ายามแกหมดวังในทางสังคมเป็นผู้ด้อยในทางสังคมมือก็มีความปราถนาลามกตัวนั่นเองน้อยอกน้อยใจว่าเราด่ไม่มีคนเคารพนับถืออะไรต่างๆเนื้อเป็นไปได้ทั้งนั้น เป็นพระสงฆ์เจ้าเราก็เลยฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาสี่เท่าหนังสือพิมพ์เขาว่าจริงเทศอย่างไรก็ช่างัวมันเถอะถ้าเรารับฟังแล้วอย่าไปโกรธเขาแล้วก็อย่าไปพึ่งชื่นชมยินดีที่เขายกย่องสรรเสริญว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่ประเสริฐสุดในโลกมีประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำทางพุทธศาสนาะอย่าได้หลงยิ้มเพลว่าภาพภูมิใจความจริงพ่อแม่รบรรพบุรุษของเรารักษาเอกราชมาได้ ด้วยอำนาจแห่งพุทธศาสนาความเป็นไทยความเป็นสยามความเป็นอิสระเสรีเนื้อจิตใจตนเองอยู่กับความถูกต้องดีงามทางสิ้นทางธรรมรักษาคุ้มครองมาถึงเราแต่ทุกวันนี้เอก ร, รักษรอดมาได้อย่างหน้าภูมิพักแต่เอกลรรักษกับศูนย์สิ้นหายไปน้อยลองน้อยลองมันผิดกันอย่างประเทศลาวเอกลักหมดขึ้นศูญไปเอกลักษ์เหลือไวเป็นช้างสามหัว เห็นหลวพงพงษ์เห็นอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ช้างสามหัวก็หมดไปแต่ประเทศไทยเอกลักษณ์รอดพ้นมาได้อย่างน่าภมูมิภาคเอกลักษณ์ศูนย์สิ้นหายไปความเป็นไทยที่เคยอ่อนน้อมท่อมตนความเป็นไทยที่เคยประหยัดเคยเมตตาปานีอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องโน่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองกันนักหนาอบอุ่นภายใต้อ้อมกาะแห่งศิลธรรม บาดนี้ได้เหือดแห้งเฮ้ยหายความเพ็นแก่เนื้อแก่ตัวจิตต่ำใจสามือไข่ยาวสาวไดยสาวเอาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ควมเพ่งมากขึ้นจนไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครเี่ลักษณะเช่นนี้คือความเสื่อมของพุทธศาสนาอย่าได้หลงภ้าภูมิดีใจที่พุทธศาสนาของเราเนี่ยมันเสื่อมไปได้อย่างไรเราจะต้องมองไปที่ประเทศอินเดียอินเดียนั่นแหละจะเป็นบทรเรียนที่มีค่าที่สุดสําหรับเรา อินเดียเป็นเมืองแม่ของพุทธศาสนาอินเดียเป็นแหล่งกําเนิดของพุทธศาสนาอินเดียเป็นถิ่นพุทธภูมิที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจา้าไม่น่าจะเป็นไปได้เลย ว, ว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศใหญ่ประชาชนมากๆ ม, มีความเคารพนับถือพุทธศาสนามาที่เกิดพุทธศาสนาจะอยู่มาได้เพียงเวลาอันสัน้นพันเจ็ดร้อยปีพุทธศาสนาก็โค่นล่มจากอินเดีย ไม่มีในความรู้สึกของชาวอินเดียไม่ได้ในความฝันชาวอินเดียเห็นพุทธศาสนาเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วเราน่าจะได้มามองดูประเทศเหล่านี้และประเทศต่างๆในโลกที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อก่อนมีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ในเอเชียกลางของเราถึงตอนใต้ขึ้นไปจนถึงนูน่นทิเบตภูธานเนปาลบังคลาเทศปากีสถานจีนเลยเขาเ้าไปใน รแบบัสเซียแถบเอ่กีสตารของรัสเซียมีบางส่วนของรัสเซียแล้วก็ยังข้ามไปถึงนู่นถึงทางยุโรปทางกรีกพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์เป็นชาวกรีกน้ำเถื่อพุทธศาสนาเจ้าหาไปแล้วพุทธศาสนามีคนนับเถือมากอันดับหนึ่งแต่เสุดแล้วประเทศพุทธศาสนาก็ค้นลมไปหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจทางการเมืองด้วยอำนาจทางวัตถุนิยมเนี่ยหมดไปหมดไปก็มาแน่นเปะอยู่ในประเทศไทย แ็จแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยคิดถึงเมื่อว่ามันจะอยู่กันได้ต่อไปถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้ค่าตัวตายมากอันดับสองของโลอาตมาวาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะเปรียบเทียบ อ, อัตราส่วนของประชากรแล้วประเทศไทยไม่ไม่เป็นประเทศที่มีประชากรติดอันดับกับเขาเลยแต่ค่าตัวตายอันดับสองนั้นควรจะเป็นอันดับหนึ่งก็ได้หรือจะมากกว่าประเทศที่มีประชากรมากหลายเท่า ดื่ยเห็นนี้เองนี้เป็นเครื่องฟ้องพุทธศาสนาคนฆ่าตัวตายคือคนทุกข์ที่สุดตกนรกทั้งดิบไม่สามารถจะทนได้ไม่มีทางออกค่ะตัวตายไปตกนรกหมกไหมต่อไปคนฆ่าตัวตายคือตกนรกแล้วสุดเหวี่ยงไว้ให้เข้าใจไว้ให้ดีๆคือมีความทุกข์นั่นเองพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อจะทุกข์โดยสิ้นเชิงทุกข์ของสังคมทุกข์ของครอบครัวทุกข์ของชีวิตเมื่อเข้าถึงอริยสัพ สี่คือกฎของธรรมชาติและการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกส่วนการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือวิธีทางปฏิบัติเพื่อดับทุก์นั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็พึงสรุปได้เลยว่าพุทธศาสนาได้เสื่อมทามลงมากในประเทศไทยเนี่ย ب, เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมองไปดูที่ประเทศอินเดีย ทำไมประเทศอินเดียจึงหมดพุทธศาสนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายมีความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ประเทศอินเดียจะหมดพุทธศาสนาไปอย่างรวดเร็วที่ก็ความเสื่อมของพุทธศาสนาในอินเดียนั้นนักปราชญ์ยุคปัจจุบันหลายท่านเช่นด็ตรวีเอสมิธดเอรเอสราทกริชนันซึ่งเป็นชาวแกนัล้วแหละยูนประเทศพุทธศาสนาแต่โบราณ น, นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ เป็นผู้มีสติปัญญาแม้จะไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยกำเนิดแต่เขาก็าศึกษาดรบีเอมบารวดรพีซีสปากชีพวกนี้ทุกคนมีความเห็นคล้ายๆกันว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้พุทธศาสนาต้องเสื่อมไปจากอินเดียก็คือการที่พระพุทธศาสนารวมตัวเข้ากับศาสนาฮินดูคือศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นไปทีละน้อยทีละน้อยเกือบจะไม่รู้สึกตัว คือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้นําหลักธรรมจากศาสนาฮินดูมาใช้มากและแล้วศาสนาฮินดูก็ได้นําหลักธรรมที่สําคัญเป็นอันมากของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานฝ่ายเทรวาตมาเป็นของตนที่เรียกว่าฝ่ายมหายานนั่นบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าอะไรคือมหายานเป็นศาสนาสายทางเหนือนุ่นไม่แบบไม่ใช่แบบเดียวกับพวกเราในประเทศไทยของเราในภาคอีสานของเรานี่ แต่ก่อนก็มหายานโ ด, ด่งดังมีอิทธิพลมากมาจากประเทศเขมรเราจะเห็นได้สากสลัสกพังพระธาตุนาลายเจงเวงพระธาตุภูเภะอะไรต่างๆพระธาตุเชิงชุ่มเหล่านี้นู่นแต่เป็นศิลปะของมหายานได้มามีอํานาจอยู่ตรงนี้นับถือศาสนามหายานคือทางตอนเหนือทางจีนทางล่องเรือมานําพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมหายาณนี่ไม่ได้เน้นไปที่การปฏิบัติซึ่งสมาธิปัญญาอะไรมากนะัก แต่นี่ไปดูการปฏิบัติอีนไปทางศาสนาะฮินดูเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีคาถาอาคมมีของดีส่วนมากจะมีมณ์มีกลมีคาถาเราจะเห็นได้ว่าหนังสือผูกหนังสือก่อมนังสือไบลานสมัยโบราณเขียนไว้ในวัดวาอารามต่างๆโอ้มหามน์ก้าวโกดมีมดตวารทีมาพานสถานโลกันนาลายตึงใจจากนาลายขึ้นสมุดอะไรต่างๆคาถาอาคม เอามาส่วนมาปลูกมาเสกปกกลูกเสกเหล็กกันมีเครื่องรางคลองของ้งางหนังทั้งในศิยศ า, ศาสตร์แข่งแข่งึ้มขึ้ักดิ์กรรมมอมเส ก, กบาลรถน้ำมนตพ่นน้ามันทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่มาจากศาสนาฮินดูซึ่งมหายานได้นําเข้ามาพันนวกันเข้าเพื่อจะให้มหาชนมีศรัทธาในขณะเดียวกันเมื่อศรัทธาเจริญขึ้นแต่ปัญญาก็ดับลงมอดหลงหมอดลงมันเป็นเช่นนี้ชาวพุทธก็เลยค่อยๆกลายเป็นชาวฮินดูเป็นพาราหมณ์ไปทีละนิดทีละนิด ที่พวกาศาสน า, าพราหมณ์ฮินดูจริงๆผู้ดีฉลาดก็เอาหลักธรรมของาศาสนาพุทธไปใช้และก็ถือว่าเป็นของฮินดูอีกเหมือนกันความสัมพันธ์กันและกันในระหว่างฮินดูกับพุทธศาสนานี้เองได้ปรากฏผ ล, พลออกมาเป็นข้อเสียของพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงมากการที่าศาสนาฮินดูยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นอาวตานปางหนึ่งของพระนารายณ์นั้นเป็นการโกงอย่างแนบเนียนที่สุดคือเขามีพระนารายณ์ เป็นเป็นพระเจ้าลอยตัวอยู่ยืนลงอยู่ในโลกในสุริยะจักรวาลเวลาใดบ้านเมืองเกิดยุคเค้นมนุษย์ไป ม, มีที่พึ่งนาลายก็จะอวะตารตอมแปลงร่างลงมามาช่วยมนุษย์ตั้งแต่ปางที่หนึ่งปางที่สองปางที่สามมาจนถึงพระพุทธเจ้าเขาก็อมพระพุทธเจ้าว่านาลายอวตารเหมือนกันเรียกว่าพุทธาวตารบุตดาอิงคเนชันพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นอวตารคือเป็นปางหนึ่งของพระนาลายที่ ลงมาในในานามของพระพุทธเจ้ามาช่วยให้เกิดความสงบรล่มเย็นในโลกเบื้องหลังพระพุทธเจ้าคือพระนาลายที่มามาสิงมาเข้าโซงพวไงง่ายๆภาษาสมัยนี้เพราะฉะนั้นพวกใดที่ถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ให้เข้าใจเถอดว่านั่นคือเชื่อฟังต่อพระนาลายเป็นศาสนาของศาสนาฮินดูผู้บูชาอย่างสูงสุดอยู่แล้วพุทธไม่จําเป็นต้องเป็นฮินดูเพราะเป็นอยู่ในตัวแล้วฮินดูไม่จําเป็นต้องไปเป็นพุทธ พราะเป็นอยู่ในตัวก่อนนั่นเองเห็นไหมอมอย่างเนบเนียนที่สุดเลยในความจริงหาเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นการกองพุทธศาสนาอย่างแนบเนียนและการโจมตีทางกุศโลบายอย่างกล้าหาญซึ่งเป็นการตัดรากฐานของพระพุทธศาสนาลงทีเดียวการที่พวกพราหมณบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการฆ่ า, าสัตว์บูชาจันญพวกพราหมณ์เมีการฆ่าสัตว์บูชายั น, าา ต, ยนตัางต่ อัศเมธะปุริสมเมธะข้ามา้ า, าบูชาข้าคนบูชาสัพเมธะสมมาปาสะข้าคนบูชาข้าหมดทุกสิ่งทุกอย่างบูชามหาญาณที่ยิ่งใหญ่มหาญาณหลอดบ่วงเฮ้ยสารพัดอย่างพอพระพุทธเจ้าเกิดมาท่านก็นมาสอนว่าอัศเมธะปุริสมเมธะไม่ใช่ข้าคนไม่ใช่ข้ามาเขาว่าสัเมธะนั้นท่านก็เปลี่ยนเป็นสัตตะเมธะ พระราชาผู้ปกครองจะต้องมีอันคือรู้จักแผ่นดินของตนเองตรงไหนอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์จะบำรุงรักษาอย่างไรอย่างพระเจ้าอยู่หัวของเรามาสกลนครมาบำรุงแผ่นดินของพระองค์ตรงไหนมันแห้งแล้งต่างเขื่อนอา่านอ่างคูคล อ, องขึ้นมานั่นแหละเลยว่าอัศเมทะฉลาดในการบำรุงแผ่นดินพืชพันธัญญาหารปุริอัศเมทะฉลาดในการบำรุงบุคคลปุ่มทาคุณงามความดีทรงเสริมสนับสนุนให้หล่ให้เกียรติให้เงิน ด, ด, ดั่เงินเดือนให้ดีมันงามมันจะได้ทําดีมากมากขึ้น มันเปลี่ยนแนวกันกับพรามณ์รามก็บอกว่าสเมทะข่ามาบูชาบริสเมทะข่าคนบูชาสัพพเมทาข่าทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสัตว์ใหญ่ๆพระพุทธเจาธ้าถามกับเปลี่ยนไหมเสียสัพเมธะผูครัดร้อยรวงจิตใจของกันด้วยศีลด้วยธรรมในอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลธรรมสมาปาสะเรียกว่าเป็นริมสลักใจเป็นมหายันสลักใจ เป็นบ่วงถูกไก่ปา่าสะแปลว่าบ่วงด้วยอํานาจสิ้นธรรมให้บ้านเมืองนอนตาหลับได้โดยไม่ต้องปิดประตูโดยไม่ต้องลงกรอนเพราะว่าธรรมะเป็นกรอนแลว้วสิ้นธรรมเป็นประตูปิดไว้แล้วแม่คนทําช่วไม่มีใครลักของใครที่มันเปลี่ยนแปลงกันอย่างนี้พุทธศาสนาพังอาจมาก็ดับรัศมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่พอศาสนาพูดค่อยเคลื่อนลงหน่อยประชาชนไม่ค่อยเข้าใจศาสนาฮินดูก็ลุกล้ากลับเืนมาคำซ้อนเก่าๆที่บอกว่า พระพุทธเจ้ามาสอนให้เลิกขา่าสัตว์บูชาข่าคนบูชาพวกพผามเขาก็ยอมรับมันเป็นการดีการยอมรับของพวกผามนี้เองก็ทําให้พรามั้กลายมาเป็นกลายเป็นพุทธพุทธกลายเป็นผามมากขึ้นการที่พวกผามบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์บูชายันการลดจอนความเข้มงวดในเรื่องการถือชั้นวันละซึ่งพุทธศาสนาได้สอนผามมากการแบ่งชั้นวันละหวานละชัจชาวสโลหตินะชัชจาโหติกามโม กัมนโนณันชจาพั ม, มนโนโหติณัชจาโหติพ ม, มนโนจะต่ําชาเลวสามจะประเสริฐสูงทรงอยุ่ที่ชาติกําเนิดช่วยฉันวันนะกว่าหาไม่ได้แต่จะประเสริฐสูงทรงหรือจะต่ําชาเร็วสามอยู่ที่การกระทําของคนนั้นวพวกพราหมณ์เขาก็พอใจอยู่เหมือนกันลึกๆเพราะมันได้ถูกกดด้วยวันณะสีเหล่านี้มานานเขาก็พอใจมากขึ้นในที่สุดเขาก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ลดหย่อนผ่อนโทษลงมา เนื่องจากอิทธิพลคําสอนของพุทธศาสนาทั้งนั้นแล้วก็มีนักบวชชั้นหัวกะทิมันสมองชั้นแบบเลิอดเลยคือสังฆราจารย์นักบวชในศาสนาพราหมณ์เป็นผู้นําสําคัญของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขาได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเรียนเอาหลักคําสอนในพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพระสง์ในทางพุทธศาสนาไม่เข้าใจศาสนาของตนเองเห็นว่าคนเขารบบูชาและผู้ยังไงเขาก็เชื่ออยากจะได้อะไรก็พูด ให้โยมมาทานมาทําบุญ <c oughs> มาสนับสนุนมากๆแต่ไม่ได้สอนลึกึงไปถึงเรื่องเซนสมาธิปัญญาภาวนาให้หลุดให้พ้นจากความทุกข์ทางจิตทางใจแก้ปัญหาจิตใจครอบครัวสังคมอย่างไรและที่นักบวชของพุทธศาสนาในอินเดียไม่ค่อยสนใจที่จะเผยแผ่พุทธธรรมสู่สังคมไม่ค่อยนําหลักธรรมของพุทธธรรมนี้เข้าไปสู่จิตใจประชาชนให้นำไปประพฤติธปฏิบัติในวิถีทางของการดาเนินชีวิต การเกี่ยวข้องกับสังคมก็เพียงเพื่อจะเอาจากสังคมอย่างเดียวเท่านั้นในที่สุดนักบวชต่างาศาสนาสังการลยาจามเข้ามาบวชมาศึกษาแล้วก็สอนพุทธศาสนาวักไส้เอาคําสอนของาศาสนาฮินดูที่ใส่เข้าไปคนทั้งหลายก็ต้องมีอาการสับสนม า, าจนต้องมีความรู้อยู่แล้วเพราะความรู้ในหาพุทธศาสนาถูกโผขาดไว้กับนักบวชเท่านั ok ้นแต่ในฮินดูนั้นเขามีทั้งนักบวชทั้งฆราวาสึกษา าศาสนาของเขาไว้อย่างมันง่นคงท่านักบวชหมดไปชาวบ้านก็อยางมีผู้รู้ผู้เข้าใจแต่พวกเราหนีส่วนมากศึกยู่กระเพาะยมมีความรู้น้อยพอที่ศึกออกไปแล้วก็มีความรู้ทางพุทธศ า, ษ า, ษาสนาก็ไม่ได้รับความนับถือเท่าที่ควรแต่ชาวบ้านมาแสดงทำมาไรให้ฟังเราไม่คอ่อยใจยอมรับโอ้ยขันดูหลายเปืนอนจนปงดไป บ, บวดผ่านปากในศาสนาฮินดูนั้นเขามีทั้งฝ่ายคารวาหทางฝ่ายนักบวชมีความรู้เท่าทันพอๆกันรักษา ศา ส, สนาฮินดูของเขาไว้เมื่อ น, นักบวชถูกทํำลายใจชาวฮิบจากชาวมุสลิมแต่ชาวบ้านก็ยังสามารถรักษาคําสอนไว้ได้พวกเราชาวบ้านนั้นมีความรู้น้อยก็อาศัยแต่พระพระอยากจะลอกจะลุนยังไงก็ได้ดังในชาดกต่างๆเขียนไว้ในคำทีในใบลานอินสารบ้านเราเนี่ยดูดูแล้วนะมันจัง น, น้าสมเพศเวทนาพอสมควรบางอันไม่มีเหตุมีท้นอะไรก็มาสอนกันแต่ชาวบ้านก็เชื่อ เพอเชื่อมาตลอดเอาแต่สถานนำหน้าแต่ไม่มีปัญญาในที่สุดพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่อาศัยปัญญาไม่ใช่อาศัยอยู่เพียงแค่สถามันก็หมดไปพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีสถาแบบชนิดทีว่าสถานนวิทามูลชาตาปฏิจิตาทันห้าสังหาลิมมาจำเนนาวาพมนเนนาวาเทเวนาวาเกนากิวาโลกาเสมิสถามีคุณในชาติอันเป็นรากอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วที่มั่นคงลมพัดไม่หวั่นไหว ไม่มีใครสามารถนำไปจากความแนิ่นอนในพระธรรมสมนเนนาวาพรมเนนวาเทเวนวาเทวดาก็ดีมานก็ดีพอมก็ดีสมณนะพรมเหล่าอื่อนก็ดีเกณฑจิวาโลกัสมิใครๆ ใ, ในโลกก็ดีอสัสังหา้าทัน ห, าหา้าสัศว์ห้าเลยมาไม่จะสามารถนำให้เคลื่อนจากพระธรรมได้แต่เราไม่มีศรัทธาชะดิัฐานศรัทธาล้มล้มแรงแรงไม่มีปัญญาประกอบเมื่อเขาเห็นสิ่งใดจะได้ประโยชน์ทางวัตถุเขาเข้าไป เดี๋ยวนี้ศาสนาอื่นเข้ามาคุกคามศาสนาพุทธถึงถิ่นในประเทศไทยมันมีหลายศาสนาเอาเงินเอาทองมาจ้างเราไม่มีศรัทธาชนิดที่วันนี้วิถามูละชาตาศรัทธาที่มีรากแก้วรากคว้นโดยอาศัยปัญญานั่นแหละคือรากของศรัทธามันไม่มีมันก็ต้องหมดไปสิ้นไปแน่นอนในประเทศอินเดียมันเป็นอย่างนี้นักบวชฮินดูเข้ามาทำลายสมดในที่สุดเขาก็ยังลอกแบบสังคมมลทนทางพุทธศาสนา แต่ก่อนพวกาศาสนาฮินดูเขาไม่มีวัดนะเขายู่กันทั่วไปก็จะกระจายชาวบ้านก็รักษาไว้ต่อมาเขาก็จัดมีวัดอาศัายรูปแบบจากทางพระพุทธศาสนาของเรายังไม่พอระเบียบวิธีกรรมทางพุทธศาสนาเขาก็นํามาใช้ในศาสนาฮินดูของเขาหลังจากนั้นเขายังจัดระบบระเบียบชีวิตขึ้นมาเป็นพวกอาสมสีต่างแต่ตอนเล็กๆกัียกว่าพอมมจัน อยู่ตามความอุปธรรมเรียงดูของพ่อแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ศึกษาโรงเรียนต่อมาเมื่อมีลูกมีพวสมีเมียเขาเคยว่าคขาหรือหัดเป็นผู้ครองเรีอนต้องอยู่ในหลักธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นต่อมาก็ถึงวันณับประัตอายุแก่ควรปลดกเกษียณแล้วก่นเลิกไปอยู่ในป่าศึกษาค้นคิดเรื่องจิตเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเมื่อเข้าใจดีแล้วตอนแก่แล้วก็เป็นสัญญาสีเที่ยว แกของสองตะเกียงสแสดงทาชี้ทางออกบอกทางไปให้แกลูกแกลักนี่ก็มีอย่างนี้ทั้งโยนทั้งพระแต่พวกเราเนี่คนแกจะเป็นสัญญาสีเป็นผู้ชี้บอกช่องทางก็ไม่ได้ถูกทอนงอกันหมดในสมัยปัจจุบันเพราะคนแกเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้จริงๆริงจัง พิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ค่อยเอามาใช้เกี่ยวกับวิธีทางการดําเนินชีวิตพวกพราหมณ์เขาเริ่มตั้งแต่เกิดจนไปถึงตายจนไปถึงแจกข้าวทำบุญอุทิศเขาเอาพิธีกรรมในทางศาสนาของเขามาใช้พวกเราทุกวันนี้ก็เอาของพราหมณ์มาใช้พราหมณ์เขาให้คนแก่สัญญาสีผู้แจกของตอกทองตะเกียงอย่างลูกเต่าจะแต่งงานกันมงคลสมรสเขาก็เอาผู้เฒ่าเหล่านั้นมาเป็นพิธีกรรมมาเป็นผู้บอกผู้สอนวิธีทางดําเนินชีวิตพวกเราก็ไปเอามาจากพราหมณ์ แต่ไม่ได้เอาหลักทำเอาหลักของขี่เล่าขี้ยามาสอนอย่างในภาคอีสานเวลาจะแต่งงานกันอา้าวเสียเงินเสียทองข่าวงัวข่ า, ขาควายคนมาเยอะๆตอนเช้ามากระตัง้งพาขวันบายสีผู้แข็งเจ้าบา่าวเจ้าสาวก็เอาผู้เถ่ามาบอกมาสอนคือเอามาจากแบบศาสนาพราหมณ์เรื่อว่าสัญญาสี แต่ผู้เท่าของเราไม่ได้เอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาคาราวะธรรมสีอย่างไรสมรชีวิตธรรมสีะการชีวิตร่วมกันสมมตเสมือพบกันทุกชาติประพุทธเจ้าสอนอย่างไรไม่มีคืนตอนผู้เท่าก็เดินแปลเมาแแปล ะ, ม า, ปละมาแล้วตีนตบตะแตนมาแล้วมาถึงพาขวัญ ซี่สี่มือหนี้มือสั้นวันนี้แม่นวันดีวันเศธีอาหมุะโศกโตกอันนี้แม่นตกไม่จันทร์คันอันนี้แม่นคันไม่แก้วโตกแต่งแล้วย่อมาหักอ้วกเสพาขวัญพูดแล้วปานเปิดหาดมเอาคนขี้เล่าผู้เท่าขี่เมามาซ้อนลูกซ้อนหล้านนี่มันอะไรกันมันเริ่มทําลายวิถีชีวิตเขาตั้งแต่แรกเลยการที่แต่งงานเนื่องเขาตั้งใจที่จะร่วมชีวิตกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็น พูดที่จะเป็นที่พึ่งแก่ลูกแก่เต่าเป็นแบบพิมพ์เป็นเป้าล้อมของประชากรของชาติควรจะเริ่มต้นโดยบุคคลที่ดีที่งามนูน่นนะครวัดน่นทําบุญตักบาตรอูที่วัดเอาเพื่อนเอาฝุ่นูทีธิะแต่งงานต่อไปเหมือนกับเราคูดเถ้าผู้แกอะไรลงไปนี่มโนพระเทเนี่ยฟังวิธีทางดําเนินชีวิตทางธรรมชีวิตจะเป็นสุขด้วยทำอย่างไรทำโมหิเตสังเสโทโลกัสมิงทิเทเจวะทำเมียพิสัมปรา ย, ยัญจะ ทำเท่านั้นประเสริฐสุดในโลกทั้งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตประเสริฐอย่างไรก็ว่ากันไปนี่ไม่มีเลยแต่ชาวฮินดูเขาชาวพามเขาเอาระเบียบพิธีกรรมของพุทธศาสนาไปใช้แต่เรากลับไปเอาของเขาเนี่ยในที่สุดมันก็เลยหมดไปสิ้นไปในประเทศอินเดียยังคงนํามาใช้กันอยู่ในาศาสนาฮินดูปัจจุบันนี้คือพวกเราใช้ของเขาอะไรอะไรก็มีแต่แบบของพามอย่างพวก ตกอกตกใจเป็นทุกมาแทนที่จะไปฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็ไปหาซื้อเทียนยาวๆเอาน้ําใส่กระติกไปรดน้ํามนต์ให้พระสวดเอาขี้เทียนไม่ก็มีเพียงเท่านั้นมันจะแก้อะไรได้มันก็เหมือนผู้เฒ่าเป่าให้เด็กน้อยล้มเท่านั้นอมมาลูมาลูคนบบหูมันเจ็บเพียงดีแล้วบกลาคุบกบเศร้าไม่ก็มีเพียงเท่านั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ที่นี่เราเอาแต่เรื่องของฮินดูเขามาใช้พธธระผู้ได้เจ้าท่านซ้อนเดินมาท่านทาลายล้างเรื่องการลดน้ํามนต์ผล น, น้ํามัน ชาวอินเดียเขาถือว่าน้ำคงคาทั้งแม่น้ำเป็นน้ำหมุนมน้ํามนต์ใหญ่ไม่ต้องสวดอะไรเลยชนนักตัณฑ์สุ บ, บังกําลังสุปาพาทางไม่ต้องมีใครมาทำเจจอาะเจเจใ ห, ให้ไปถึงแล้วก็พนมมือไหว้แม่น้ํำคงคาขอค้กมาพระแม่คงคาพนาลายบรรทมศีลหนกจากนั้นเขาก็เอามืออบน้ําขึ้นมารดหัวหลังจากนั้นเขาก็ลงไปอาบไปลอยตายแล้วเขาก็หา ม, มาทิ้งตรงนั้นเขาถือว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ลอยไปสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าทั้งก็ได้บอกกับพามว่า น้ำเหล่านั้นไม่สามารถจะล้างความชั่วออกจากใจได้แต่มันสามารถล้างกรรมล้างเวรสะเดาะเคราะห์สะเดาะชวยออกได้มันก็ต้องล้างบุญของเจ้าออกไปด้วยทำบาปตอนเช้าว่าล้างบาปออกไปได้ตอนเย็นทำบุญตอนเช้าบุญตอนเย็นามาอาบน้านํามันยมัหายไปน้ากันด้วยถ้าหากว่าน้ํานี้มันจะดีจะงามจะทําให้หายเคอะหหายโศกหายโรคหายปล า, ายเตากรุงหอยปูปลามันนอนแช่อยู่ในนี่มันก็คงขึ้นสวรรค์หมดแล้วมันก็ยังอยู่ในนั้นในที่สุดคนฉลาดเขาเข้าใจ เอาลัางการดูเลิกผ้านาทีร่วมเรียงเคียงม้อนจะไปค้าไปคายไปสอบไปอะไรต่างๆก็ดูกันจะยกบานยกช่องวันนั้นวันนี้เสาเอกเสาโทวางศิลาหลอกศิลาเลิก อ, อะไรต่างๆเป็นเรื่องของผามทั้งนั้นผู้เจ้าของเราบอกว่ชนักขัดตังปริมาณในตังอัโทพลังประคคาเลิกดียามดีมันมีอยู่ในตัวของมันแล้วท่านว่าอย่างนี้เลิกดียามดีเหมือนได้คิดดีพูดดีทําดีมันมีอยู่ในตัวมัน คนโง้อมัวแต่คำนวณ ด, ดวงดวงดาวบนท้องฟ้าประโยชดนด์่ำล่วงเลยคนโง้โง้งเหล่านั้นไปเนี่ยไปลักงัวลักควายไปทําชั่วเวลาได้โมพีนนั้นแต่พวกเราก็เอาของเข้ามาใช้ดรจีซีปานเดนักป่าคนสําคัญในปัจจุบันนี้กล่าวว่าตัวการสําคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมไปในประเทศอินเดียอย่างรวดเร็วนั้นก็คือการที่พระพุทธศาสนาประสบความล้มเหลวในทางสังคมนี่ก็น่าคิดต่อมาดเรเอนดัต ให้คอสังเกตว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยเคลื่อนไหวทางด้านสังคมเลยความเห็นของสองสองคนนี้คล้า ย, ายกันคนหนึ่งบอกว่าพุทธศาสนานั้นได้ประสบความล้มเหลวในทางสังคมหมายความว่าไม่ค่อยจะมีหลักธรรมของพุทธศาสนาไปใช้ในสังคมซึ่งคนๆอยู่ส่วนสังคมมีแต่เอาจากสังคมอย่างเดียวส่วนนายด็กเตอร์เอนดัคแกก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่เคยเคลื่อนไหวทางด้านสังคมเลยตรง น, นี้จะต้องหมายถึงสังคมสองข้อ ไม่ได้หมายเพียงสังคมสังคมสองข้อทางด้านวัตถุแต่หมายถึงสังคมสองข้อทางด้านจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูงมากในประเทศอินเดียได้หมดไปสิ้นไปเพราะพระพุทธศาสนาประชาชนนักบวชทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมการเจรจาคนมาบ้าๆมาอบรมเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสังสอนหลับคําคําสั่งสอนมันไม่มีมันน้อยลงน้อยลงสมัยพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ท่านสอนให้พากังจาริกไปที่ยวประกาศธรรม จราระ tha พิฆเวจาริกังพมจาริยังประกาศเสถาปงุชนนิตายาปงุชนสุขหายะโลกานุกรัรมปายะเทวามนุษยานังดูย่อมิจึงหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปประกาศพมจันเพื่อเอนดูแกโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแกมูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระรุ่นแรกบุกเบิกมาอย่างดีคนเขารบนับถือบูชามากพอรุ่นหลังๆนี่นอนแผ่พระกวา้าไม่ช่วยกันเผยแผ่คนเขานับถือทะแลาะกัเลยมากินมูลมังสังขยา นอกแก่นั้นก็เอาคำสอนมาดัดแปลงบอมปนคำสอนใหม่ให้มันถูกอกถูกใจคนจะได้ลังไลเอาสิ่งเอาของเอาเงินเอาทองมาให้มากๆที่นี่พอถึงเวลาพุทธเจ้าปรินิพานไปประมาณร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีวุ่นวายที่สุดเพราะเข้ามาบวชเพื่อหลับสกักกาละไม่มีใครสนใจที่จะทะะารนังทรงไว้สึงพระธรรมวีในสันตานางังสือต่อ้วยความบริสุทธิ์พุทพงปริกิตตต วิทารนังมีการเรียรายเผยแพร่ให้ภัยศาลก็ไม่ค่อยมีจนเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเสื่อมซ่อม ส, องสังกญนาครั้งที่สามเกิดขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชด้รวบพวมอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวสนับสนุนพระมกครีบุตรติสาเพละทำสังกญนาเมื่อสังกญนาเสรส็จก็คิดว่าต่อไปถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเองไม่มีธารนังไม่มีสันตานังไม่มีวิทารนังไม่มีการสืบโตอไม่มีการดำรงไว้ไม่มีการเผยแพร่ต่อไปพุทธศาสนาจะหมดไปจากอินเดีย และจะหมดไปนั้นจะทําให้ความทุกเกิดขึ้นแกโลกแก่ทั้ขงของมากทําอย่างไรเราเริ่มพากันเผยแผ่เลยก็เลยแจกพระธรรมทูตประกาศเรียกพระภิกษุ ผ, ผู้มีอุดมการณ์ที่จะเผยแผ่ให้มารวมกันและจะทรงไปในทิศ ต, ต่างๆจนมาถึงประเทศไทยสมัยนั้นไม่มีเครื่องพินไม่มีรถยนต์เดินมาจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาพระเหล่านั้นคารวัะเหล่านั้นผู้มีอุดมการณ์เพื่อสืบทอดสันตานันางภริกิตต์ตมัมพิถาเรานัง เผยแผ่เรื่องอะไรเรื่องอะไราศาสนาก็เดิมารวมกันที่อโศกาลามของพระเจ้าอโศกประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดว่าอาหารประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดพร้อมกันว่าข้าพระเจ้าจะท่องเที่ยวไปอาหางโสว่าจริษสามิฆามาคามังปูราปุรังนัมสัมมาโนสัมมาสัมพุทธัสะสะโคสันส์สุธรรมตังท่าตุจิรังสตังธรรมโมโลกมหิสัมมาสัพพุทธศาสะสนัง ข่าน้อยค้าบไปเจ้าทางร้ายจะพากันท่องเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนิคมสู่นิคมปูราปูรังจากนครจากเมืองสู่เมืองนัมมะสมาโนสัมาสมาสัมพุทธสันนอบน้อมนามสการแดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอสนัสสะสุธรรมมาตังจะประกาศพระสธรรมอันดีงามของพระศาสดาให้กึกกล้อง ขาตุจีรังสตังธรมโมโลกัมหิสมัยสุทสัสสาสนาังเพื่อการประดิสถานมั่นคงของพระพุทธศาสนาพระศิธรรมคู่โลกนี้ตลอดกาล น, นั้นข่านเหล่านั้นก็ได้เดินไปจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากทิ้นทุ่ ง, งเครื่องเมืองกันดานบากลึกลับส อ, ององค์ถึงประเทศไทยโสอุตรละมาถึงประเทศไทยแล้วก็เผยแผ่หรืออะไรประเทศไทยถือผีถือสร้างทิศทิมากที่นี่มี หลักฐานปรากฏว่าท่านทั้งสองได้แสดงธรรมมากที่สุดก็เรื่องพรหมชารสูตรพรหมชารสูตรไปเปิดดูแค้แต่ปีดกเล่มที่กล่าวสูตรแหล่ของประสูติทั้งหลายในทีขนางกายว่าด้วยเรื่องทิฏฐิความเห็นผิดหกสิบสองประการทำลายทิฏฐิเหล่านั้นประเทศไทยก็เลยล้างทิฏฐิจากจิตจากใจถือผีสร้างขังลายผีพ่อผีแม่ผีเยา้าพีเรือนเทวดาฟ้าดินที่เคยนับถือมาจาก เมืองจีนยอยากอินเดียไหนก็ตามก็มาเปลี่ยนใหม่มานับถือพระพุทธพระธระรมพระสงฆ์พุทธศาสนาประดิษฐานในประเทศไทยและก็ถูกใจคนไทยอย่างยิ่งที่เป็นประเทศชอบความเป็นอิสระภาพเสรีและก็ธรรมะของศาสนา น, นี้ก็เป็นศาสนานที่ไม่บังคับอย่างนี้ก็เลยได้นับถือมาเราจะเห็นได้ว่าการเผยแผ่ครั้งนั้นยังประโยชน์อันไพศาลต่อมาประเทศอื่นๆก็ได้นับถือพุทธศาสนามากขึ้นมาขึ้นแล้วต่อมาก็ล้มละลายไปล่มละลายไปเราจะเห็นได้ว่า ล้างแห่งความเสื่อมในทางพระพุทธศาสนานั้นในประเทศอินเดียนั้นมันเป็นไปได้มากคือการไม่เคลื่อนไหวทางด้านสังคมไม่เอาสังคมเลยหนัง่งรับผูลับตาอยู่คนเดียวขอให้คนอื่นมาหาเราเราจะได้อะไรบากมายสร้างสรรค์บางแห่งมีเงินมีทองมากมายไม่สามารถที่จะเยผยแพร่ที่ไรพระพุทธศาสนาเอาไปสร้างไปสร้างท้าฝนประตูอย่างอื่นต่อมามันก็หักมันก็พังไม่สามารถทารนางังดำลงไว้สื่งศาสนา ประเทศทิเบตมีวัดวาอารามใหญ่โตอารามโปตะละมุงด้วยทองคํากับเบื้องเคลือบทองคําเสาหุ้มทองคำหนาเท่ากับนังช่างอารามโปตะละบรรจุค้นได้เป็นหมืนม่นๆทองคําไม่รู้นักกี่หมืน่นกี่พันกี่แสนกิโลเกิมมาจากศรัทธาแต่ไม่สามารถเอาทองคำเงินคำกําแก้วเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือแก่การเผยแพ่พุทธธรรมได้ในที่สุดประเทศทิเบตก็ล่มละลายโดยอํานาจลัทธิของาศาสนาอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นการเมืองอื่นหมดไป ประเทศไทยของเรานั้นโชคดีเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในทางด้านสังคมอยู่ตลอดประสบความสําเร็จในทางสังคมอยู่ตลอดเพราะเหตุใดท่านจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญบ้านเมืองของเรายัางไม่เจริญนั้นวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชุมชนของสังคมวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นครังพัดัตรู วัดเป็นที่ประชุมประกอบพิธีกรรมวัดเป็นที่นัดพบของชุมชนทั้งหลายวัดเป็นสารสถิตยุติธรรมไม่ใช่เป็นสารอาญาตัดสินอะไรทั้งนั้นสถิตยุติธรรมความถูกต้องนี่จึงกล่าวได้ว่าในวัดคือที่อยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเคลื่อนไว้ทางสังคมตลอดวัดเป็นโรงเรียนในประเทศไทยของเรานั้น โรงเรียนอยู่ที่วัดโบราณลูกเต่าทั้งหลายมาเรียนหนังสือในวัดแทนพิธีกรรมต่างๆอยู่ในวัดแทนวิธีชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้าจนชินชาจนซึมซาบอาบแล้วเข้าไปในเจตในใจวัดเป็นโรงเรียนพระเป็นครูบาอาจารย์สอนในสมัยโบราณเคลื่นไว้ทางสังคมอยู่ตลอดอย่างนี้ให้การศึกษาอย่างนี้วัดเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เจริญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางแพทย์เครื่องมือทางแพทย์ยังไม่เจริญ ที่วัดนั้นเป็นที่รวมอยู่ของหว่านยาทานนางยาสมุนไพรพระสงฆ์องค์เจ้ากปกาไว้มีผู้ศึกษาในด้านนี้เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องอะไรต่างๆลองวัดกันทั้งนั้นตั้งแต่ตะขากัดแมงป่องต่อยอะไรต่างๆเจ็บปวดลองวัดพอวัดนั้นมียกมมียาพูดได้ว่าวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตุติธรรมหัวเมียทะเลาะ ก, กันฝิดหัวขาวสาวหัวงอกตกลงกันไม่ได้ว่าไม่ยาบอกไม่ยาว่าไม่ฟัง ก็นิมนต์พระขึ้นมาบางทีก็พาลงไปที่วัดพระท่านก็จะบอกก็จะสอนหัวเมียตีกันสัมพันธ์ไม่ตียังไงก็ว่ากันไปลงไปจนทั้งนูน่นแย่งแดนไหลที่แย่งที่ไร่ที่นากันแดนมันติดกันมันคดมันเยียวทะเลาะ ก, กันจะสับหัวกันด้วยจอบด้วยเสียมพิษกันตกลงกันไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันพูดกันก็ตกลงไปได้นิมนต์พระมาพระสงฆ์เจากทั้งกับเป็นทนายความบางเป็นผู้ปีปากษา มาถึงมาไกลเกลี่ยลูกเอริลานเอออยู่ด้วยกันโลกนี่ไม่ใช่ของเราคนเดียวอยู่ด้วยกันไปชั้นพี่ฉันน้องอีกน้อยแล้วก็ล้มหายตายกันไปอยู่ด้วยกันโดยทําเป็นอยู่โดยทําอาศัยกันโดยทํำให้สมกรว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตาย้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลูกเอริลานเออความรักเป็นเหตุให้สั่งสร้างความชิงชังเป็นเหตุให้ทาลายซึ่งกันและกันอยู่ไกลกันให้รักกันมากๆถ้าชังกันแล้วมันจะทําลายกันได้ง่ายยิ่งกว่าคนไกลกัน อย่าเลยลูกเอ้ยไม่มีประโยชน์ในการทะเลาะเบาเเวงกันไม่เกินร้อยปีก็จะโบกมืออำลาอยากมิตรวงอาทิตย์ศัตรูขู่เว้นตายเขาลืมแห่งชีวิตไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละก็ตกลงกันหน่ายถ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวลูกหลานจะทะเลาะกันใหม่ต่อไปเป็นสงครามล้างโคตรล้างเผาพันกันเอาเชือกมาขึงให้มันตรงปันกันให้เสมอเดียวกับเพิ่งลูกเอ้ยอย่าให้นักเพลินผลเบาผีบาปที่นําเจ้าแล้วลูกหลานจะทะเลาะกันเออแมนความเา่าครูแมนความเน่าปู่เ่าตาเ่าพ่อครูบาอาจารย์ ก็เอาเชือกมรคื อ, อตกลงกันไน่ะวัดเป็นสารสติจติธรรมถ้าสร้างองค์เจ้าเป็นผู้ปีปากส้าให้ความยุติธรรมแต่ไโบราณเนอนะไม่ได้พูดถึงสมัยนี้ยังคือการเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดมันผิดกับอินเดียเราจึงมีพุทธศาสนามาตลอดวัดเป็นโรงเลม่มไปค้าไปค้ายจูงงวัวไปค้าจูงมาไปค้ายขี่เกวียนขี่เรืออะไรมานอนวัดคขำมากินข่าววัดนอนสลากลางคื น, นมาม า, มาขอข่า ว, ข, าวขอปลาในบ้านกินกลางวันตอนเช้ากินข่าววัด วัดนั่นเป็นโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียเงินเช่านอนอาหารก็กินฟรีต่อมาวัดเป็นขังพัสดุถ้วยถ้วโอชามพกกระ บ, บางสากกระเบือจอบมีผ้าคทถาควานันของส่วนรวมทาบุญแต่ละครั้งมารวมกันอยู่ในวัดอย่างนี้งานมีการจะลงแขกในาวานไปยืมมากระจกวัดไปยืมผ้ายืมเม็ดยืมถ้วยถ้วโอชามขึ้นบานเกาลงบ้านไม่อะไรต่างๆขึ้นบานไม้ลงบ้านเกาเอาเซาลงลง้มเลยไปเอาที่วัดทางนั้น วัดเป็นทางพัสะดุวัดจึงเป็นสถานที่มีสังคมสงเคราะห์ อ, อยู่ตลอดการแล้วในสังคมโดยเฉพะาะภาคอีสานเีตุสิบสองของสิบสี่เอาบุญกันสิบสองเดือนสิ่งที่ได้มาก็ามารวมที่วัดพิธพน พ, พิธพันเข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบาทเอาข่าวมาลุรวมกันถวายวัดเพื่อวัดจะได้คลายเอาไว้บำรุงเป็นเชิงความสงเคราะห์ต่อไปเรียกว่าเอิ่นว่าบุญคูณล้านบุญพระท่ายเขา่าเรือนสามมาห้อมเต่า เอาบุญบั่นเขา่าจีเอาข้าวมารวมกัน ข, ข่าขึ้นนาปลาขึ้นบานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าวัดนั้นจะกวาดใสอกแต่วัดนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นส่วนรลวมลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้ชาติว่าประเทศไทยเราเคลื่อนไหวทางด้านสังคมตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่พลาณาหมายตั้งแต่ความยุติธรรมในสังคมความส ง, งบพร่มเย็นตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆมั่นอยู่ที่วัดนอกอย่างนั้นวัดยังเป็นสถานมหรสย บ, บันเทิงทางธรรม อาบุญทีจึงมีหมอล้องหมอลำอยู่ในวัดคนก็มาฟังกันในวัดดูหนังตะลุงในวัดดูลิเกในวัดดูโลลาในวัดแล้วไม่ใช่ว่าเขาเล่นกันแบบทําลายศิลธรรมลามกจกเปรตอย่างพวกวันนี้เขาเอาบุญอะไรเขาก็ลํากันเรื่องบุญอันนั้นใครเป็นคนสร้างก่อได้ดีสมอย่างไรในประวัติเป็นมาอย่างไรบุญกฐินทำมาอย่างไรพระเวททำมาอย่างไรบุญเขาสาเขาประดับดินสระธาเป็นมาอย่างไรได้ดีสมอย่างไรพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนหมอลําเขาถามกัน เขาตอบกันคนฟังก็ได้ความรู้ความเข้าใจแต่ม้อลำมูหมอลําเรื่องก็เอาชาดกในทางพุทธศาสนาชาดกห้าร้อยชาติห้สิบชาติสิชาติอะไรต่างๆมาเล่ากันมาเล่นกันนั่งตะลุงก็เล่นกันอย่างนี้มันก็เป็นการส่งเสริมศีลธรรมอยู่ตลอดแต่ปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนออกจากวัดโรงแรมออกจากวัดโรงพยาบาลออกจากวัดโรงพยอบาลเศพทาง กีเลศยังไม่ออกจากวัดแต่ก่อนเป็นมหาระศพทางธรรมบัดนี้่ลงมหระศพทางวิญญาณ น, นั้นได้ออกไปจากวัดลงมหารสศพทางกีเรศเข้ามาแทนหนุกน้อยหุ่มน้อยเชวบชว่าเ ต, ต็มตะกนโงโค้งบังดกขายกโยกกับย้ายกระโผยกเอวยกซ้ายใหญ่ขวาอยู่ตรงนั้นหนุกน้อยห่มน้อยเปิดเห็นเกงในแล้วออกมาเล่นอยู่ในวดัดพระสองฆ์องค์เ จ, จ้าจิตแตกใจเพผู้หญิงชายหนุ่มทั้งหลาย จิตแตกใจเทสาวรุ่นใจแตกสาวใหญใจถึงแม่ใหมใจปั่มดูเรื่องดูเหลาในนังในละครมันเล่นในว่าโอ้ยเข้ามาทํำลายถึงในห้องนอนมีทีวีมีวีดีโอลามกโจรเปรในวัฒนวัฒน์มันมีขึ้นมันก็ยิ่งรุมสตัตย์ดพุทธศาสนาให้สูนสิ้นไปเพราะเหตุ น, นั้นเราจะต้องมาคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชี่ยวกากนี้เราจะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องมาทําบุรณาการ s u b พ e เมต เอาความสมบูรณ์ถูกต้องดีงามในการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีมันงามเขาเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางชั่วเราซับไม่เมียเอาการเปลี่ยนแปลงนั้นผลักดันเปลี่ยนเส้นทางให้มันไปสู่เส้นทางที่ดีอย่างเขาร้องเพลงทุกวันเนี่ยดูสิมันไม่จะเป็นเพลงมันเปลี่ยนแปลงจนคนสมัยเก่าดูแล้วไม่รู้มันร้องเพลงหรือว่ามันดุมันหาย พ่อตูส้สีเจ้าสิไปสีเจ้าสิไปเฮ็ดฮันลูกไปเฮ็ดน่ะมันกํากําปั่นพร้อมจะรับเฮดมันร้องแล้วก็แทงหัวสัน่นหัวมันขอจะขาดค้นไปดูเต็มแล้วก็มาร้องใหม่ก็ได้พ่อตูส้สีเจ้าสิไปวัดได้คอยสิไปน้ำตู้ได้บ่ว่ามันไปใหม่ได้ไหมเรามาหัดทําร้องเพลงใหม่ได้ไหมทางสิ่นที่ทําก็ทําได้ผนรมือขึ้นเราไม่ ก, กํากระปั่น ลองถามพระโอษฐสิมีพระน ม, มือขึ้นเน่อสิจะอู้สิไปวัดไดนจะไปทําบุญเียกับว่ากันไปได้ไหมอย่างนี้เลยกวะ s u b l เม e เอาความบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นความไม่ดีเราไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักเลือกอ ป, ปัมมัตโตอุโอเทียธิขันห้าหิปันติโตไงบัญญัติย่ยอมฉลาดถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองนันประโยชน์ในความเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่จะต้องมาขัดมาแย้งกนันมันเกิดปัญหา ในเป็นอย่างนี้ในประเทศอินเดียเขาไม่เคยเคลื่อนไหวทางสังคมวัดวาอารามพอซ้อหนึ่งพันเจด้อยสี่สิบสามพุทธศาสนาก็โค่นล้มสลายลงไปจากอินเดียเรามองดูอินเดียเช่นนี้ก่อนหน้าคิดว่าเราควรจะทําอย่างไรกับบ้านเราเมืองเราค่อยนั้นถ้าหากเรารู้ไม่ทันเกมพุทธศาสนาอันจเจริญรุ่เรงเรืองในประเทศไทยสองพันกว่าปีมาแล้ว ความสงบพร่อมเย็นในบ้านนี้เมืองนี้เคยมีมาบัด น, นี้จะหมดสิ้นไปพร้อมกับกลิ่นอแห่งพุทธธรรมที่เลื่อนหายไปปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกก็เพราะขาสินขาดธรรมในประเทศอินเดียนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วให้เราเห็นอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพุทธเจ้ายังความประหลาดใจอันใหญ่หลวงให้เกิดแก่นักประวัติศาสตร์มาแล้ว ใท็ไดศาสนาพุทธี่เกิดในประเทศอินเดียมีประชากร น, นับถือติดต่อกันมาถึง17สตวัตแต่แล้วก็ไม่ปรากฏแม้เพียงแต่ในความฝันของชาวอินเดียในยุคต่อมาเลยชาวอินเดียได้มองพุทธศาสนาอย่างคนแปลกหน้าสาเหตุนั้นมีสิ่งที่น่าคิดน่า พ, นพิจารณาถึงประเทศไทยของเราก่อนที่จะสายเกินไปในประเทศอินเดียในขณะที่พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองที่สุด แม้ในสมัยพระพุทธเจ้าเองประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังนับถือศาสนาพราหมณ์มั่นคงอยู่ศาสนาพราหมณ์ไม่ได้เสื่อมไปเพราะความเจริญของศาสนาพุทธในสมัยนั้นเพราะศาสนาพุทธไม่จะเป็นศาสนาที่คุกคามศาสนาอื่นเขาอยากถือศาสนาเก่าก็ไม่ได้ว่าเขาสอนธรรมะอันบริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาศาสนาพราหมณ์ผู้ที่ไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาถึงพุทธเขาก็ยังนับถือของเขาอยู่เพราะเหตุนั้นการที่ศาสนาพุทธเจริญขึ้นจึงไม่สามารถทําให้ศาสนาพราหมณ์หมดไปสิ้นไปในอินเดีย ในสมัยหลังพุทธเจ้าพุทธการแม้จะมีพระมหากษัตริย์เส้นพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นถือพุทธศาสนาจนขนาดว่าบูชาพุทธศาสนาสดเก้าสดเสียนแต่ก็คงรักษาแนวของพระพุทธเจ้าของเราไว้อย่างมั่นคงคือไม่เบียดเบียนศาสนาเองพระพุทธเจ้าทรงตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างศาสนาพราหคติข้อนี้ทําให้พุทธศาสนาไม่สามารถจะทําให้มีอํานาจเด็ดขาดทางการเมือง แล้วใช้อิทธิพลทางการเมืองนั้นฝังรากศาสนาลงในใจของประชาชนทั้งหมดได้ซึ่งมันต่างจากศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาอิสลามเมื่อแผ่ไปที่ไหนก็ใช้อิทธิพลทางการเมืองกำจัดศาสนาตรงกันข้ามใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเงินซื้อเอาเพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่เคยนับถือสองศาสนานี้มาก่อนเลยเมื่อถูกข้องําจากสองศาสนานี้ทางการเมืองศาสนาเดิมพัฒนธรรมเดิมก็ถูกถอนรากถอนโคน คาศาสนาเหล่านี้ก็ไปแต่พุทธศาสนานั้นเมื่อแพร่เข้าไปประเทศที่เขาไม่ได้นับถือมาก่อนก็อลรมุณ์อร่วยปลองดองกับศาสนา ท, อท้องถิ่นเกลือกู้ผสมผสานกันไปได้จึงเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธทตั้งอยู่ไม่ได้นานอีกแบบหนึ่งอีประการหนึ่งหลักการในทางพุทธศาสนาเองก็ให้เสรีภาพแก่บุคคลมิได้มีการเรียกร้องความพักดีพลีชีวิตพลีชีวิตโดยสถานมือนศาสนาอื่นยอมตายฆ่ากันได้เป็นสงครามศ า, า, าสนาพุทธศาสนาไม่เป็นเช่นนั้น ไม่เป็นเช่นั้นแม้จะปกป้องศาสนาของตนเองก็ไม่รุนแรงไม่มากพอเหมือนกับศาสนาที่เราแต่เรื่องพักดีพลีชีวิตความเสื่อมของคณะสงฆ์นี่อีกอันหนึ่งซึ่งแตกแยกออกเป็นล้ายมูล้ายก๊กล้ายเผาล้ายนิกายนับถือกันเป็นมูเป็นคณะแล้วก็วิวาดกันในสมัยปัจจุบันนี่เห็นได้ชัดในประเทศไทยเราการถือนิกายนั้นอ่อนตัวลงพอจะร่วมกันได้ ร่วมเป็นร่วมตายกันเมื่อเวลาเกิดภัยคุกคามศาสนาแต่ไม่สามารถจะร่วมสังฆกรรมกันได้เป็นนานาสังวรข้อนี้ก็ยังไม่รุนแรงพอแต่จะมีอีกเดี๋ยวนี้กําลังลืมพระพุทธเจ้าพูดอะไรเอาแต่อาจารย์อาจารย์บูชาอาจารย์โ น, น่นอาจารย์นี่พูดมาเรื่องอะไรก็ยกแต่เรื่องอาจารย์แต่ไม่มีใครยกพระพุทธเจ้ามาเชื่ชูบูชากันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขานับถือศาสนาอาจารย์กันหมดแล้วลืมศาสนาของพระพุทธเจ้าต่อไปจะมี อาจารย์สมภพกูอะไรอาจารย์สมภพขออภัยทีขอถีอย่าได้มาเชิดชูดบูชากันมากนักหนาขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้านู่นนู่นนู่นไม่่จะตกอยู่ในอำนาจศาสนาอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายอยู่ไม่เกินร้อยปีก็าจะาตายศาสนาผู้จะต้องยังอยู่ต่อไปกับหมู่คณะสงฆ์ขอให้คำนึงอุปธรรมคำจนหมู่คณะสงฆ์ อย่าไปลงบูชาจตมูคนกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งอย่างเดียวคณะนั้นอ้วนพ้วนสมบูณ์คณะสรงส่วนใหญ่หนึ่งในรัตนาสูปสอมลงอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความตายในศาสนาได้ง่ายขึ้นต่อมาหลังสมัยพระเจ้าอโศกธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งเดิมเป็นแนวปฏิบัติของชีวิตแท้ๆได้ถูกบรรดาคณาจารย์นิ ก, กายต่างๆที่แยกออกมามหายานหินยานอัธบาย ทำให้เป็นของยากขึ้นซึ่งทําให้เกิดอภิปรัชญามากขึ้นสําหรับทุ่มเทงปทิยงปัญญาตีโบหานกันมากกว่าสําหรับที่จะใช้ปฏิบัติได้จริงๆในชีวิตปัจจุบันพุทธศาสนาจึงกลายเป็นของยากสําหรับสามัญชนไปกลายเป็นสมบัติของนักปราชุมหนึ่งในกําแพงวัดชาวบ้านทั่วไปไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรความจริงพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องทําลายความเห็นแก่ตัวเท่านั้น ในประเทศอินเดียได้สมัยพูทธการพรอะอราหันต์อ่านห น, นังสือไม่ได้ดอกตัวหนังสือเท่ากับปั่นกอไกห่หาผู้านผู้เขานึ่อ่านไม่ได้แต่สามารถช้ำแรงกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกเดี๋ยวนี้จะต้องมาเรียนอภิทักษอภิธรรมกันจบเจ้าปลิสเชิเป็นผู้หาบัณฑิตสก่ปรจะมาปฏิบัติธรรมหัวทื่อๆอย่างอาตมาจะไปเรียนได้อย่างไรตายอีกห้าแสนชากรเรียนไม่จบอภิธรรมขอหัวไม่ดีแต่ถ้าให้ปฏิบัติธรรมสิ้นสมาธิปัญญาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรม หูมื่อคิงหูมื่อควมหูมื่อใจหูมือหูตามภาษาลาวบ้านเฮาห ร, รืรดโพดปลึกเป็นดไดก็เหตุใดนี่มันเป็นอย่างนั้นในสมัยราชวงศ์คุ ป, ปตะพวกพา้าเมื่อเห็นว่าเอาชนะพุทธาศาสนาทางตรงไม่ได้กว่าใช้ทางอ้อมคือใช้วิธีกลืนอย่างสุขมุมเช่นอ่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นนารายอาวัตานผู้นับถือพุทธก็คือฮินดูผู้นับถือฮินดูก็คือพุทธไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะนับถือบรรดาอยู่แล้ว เห็นไหมเดี๋ยวนี้าศาสนาบางาศาสนาเขามาคุกคามในประเทศไทยว่าพุทธเจ้าเป็นปกาศกส่งมาเคลียพื้นที่ประกาศธรรมะไว้ก่อนตอนหลังมาจึงส่งพระาศาสดาองไมม า, มาเห็นไหมพวกเราจะได้หลงนี่เขาเอาตัวอย่างเรียนแบบจากาศาสนาพราหม์สังกราจารย์ที่เขาเขียนเรื่องพุทธาวาตารบุต ธ, ธาอินเคเนชันเดนี้เรากาลังหลงแต่บ่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าส่งมา พระเจ้าเขาส่งมาจากสวรรค์มาเป็นประกาศกมาก่อมาเคลียพื้นที่ต่อมากวิโซทะเยคอยทาพเนเดอร์ว่าสันระวังให้ดีนะนั่นแหละเขากำลังกลืนเขากาลังกลืนโดยเราไม่รู้สึกตัวคัมภีร์เรื่องนารายมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี้ทำให้จำนวนชาวพุทธนับวันที่มีแต่ลดน้อยลงในประเทศอินเดียแต่ศาสนาฮินดูนับวันจะเพิ่มมากขึ้นมากนเพียงเท่านี้อย่างไม่พอ